สองสามครั้งที่จันทรกับเกิดซึ่งหาบของอยู่ตรงกลางเสียงหลักขณะที่ไต่พยุงกันขึ้นไปตามแง่หินและดินที่ว่วนไปด้วยใบไม้ถลายลื่นวุดบิดจะ ก, กลิ้งหล่นลงไปในเหวเบื้องล่างปะทะกู่ของสางตากับเสยที่กระดืบตามมาเบื้องหลังเซถลาล้มลุกคลุกคลานเชิดฐาและชัยยันช่วยกันยันรับน้ำหนักตัวไว้ได้ในที่ที่ขับขันหม่นเหน่ระพินต้องปลดเชือกประจำตัวโดยโยนลงมาให้คนเหล่านั้นอาศัยไต่นําตัวขึ้นไปได้มึงนําทางดีนักหนักขยิน บุญคำบ่นอย่างหัวเสียเพราะแกเองก็เต็มอืดเหงื่อท่วมไม่น้อยไปกว่าคนอื่นแต่เท่าอย่าบน่นขยินจะพาไปหาน้ำเจ้านักเลงโตหลมช้างยิงฟันตอบไตอืดๆไปตามที่ชันอย่างนั้นอย่างทอระหดราวกับควายตาอันเป็นคุณสมบัติประจำตัวของมันลากบุญคำคู่หาดซึ่งอยู่ข้างหลังจนหอบซี่โครงบานเออมึงพาไปถ้าไม่เจอน้าก่อนเท่งวันนี้แล้วก็มึงโดนกระทื้ การเดินในระยะนี้ทุกคนต้องเอาปืนสะพายหลายหมดเพราะต้องใช้มือและเท้าทั้งสี่ช่วยตัวเองอย่างเต็มที่ในการเหนียวยึดและโหนตัวการเคลื่อนที่เป็นไปอย่าง ช, ช้าเพราะหนักของและต้องรอกันทั้งป่ารกและชันหลายต่อหลายครั้งที่ต้องผ่านเข้าไปในถาวร น, น้ำและต้องเสียเวลาตัดลิฟ ถ, ถักทางเป็นระยะทั้งหมดจำต้องเกาะมุมกันไปในระยะกระชันชิดและคอช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลา พวกต่อดงตัวขนาดหัวแม่มือเขื่องๆบินหึง่งบุนเวียนเข้ามาใกล้ๆและชักจะถีขึ้นรับพินเหงยขึ้นมองมันอย่างหนักใจตะโกนส่งภาษากับขยินแล้วหันมาทางคณะนายจ้างที่ครานกันอยู่เบื้องล่างระวังหน่อยนะครับอยา่าพยายามทำอะไรกระโตกกระตากถ้ามันเกาะก็เฉยเฉยเสียถ้าตัวเดียวเข้าเล่นงานตัวอื่นๆจะพลูเข้ามาทันที เชิดหายกแขนเสื้อเชิดเหงือบนใบหน้าแล้วเป่าลมออกจากปากเบาๆมองดูต่อโดองที่วินถึงฉวัดฉวียนอยู่รอบๆตัวด้วยความกลางมนเอถ้าจะไม่เหมาะกับมังผู้กองตัวมันโตเหลือเกินนี่โดนเข้าไปทีเดียวเห็นจะไม่ต้องตายแล้วนอกจากนอนจับไข่อยู่ตรงนี้ขยิมมันจะพาเดินมายังไงนี่ชักไม่ชอบมาพากลซะแล้วสงสัยว่าจะมีรังของมันอยู่แถวๆนี้ผมบอกมันแล้วให้มันเลี่ยงห่างออกไปซะ ไม่ทันขาดเสียงของเขาเสียงดารวินซึ่งเกาะพังภาพอยู่กับแง่งหิงผาก็ร้องอึกอักอยู่ในลําคอทุกคนหันขวับไปก็เห็นต่อตัวใหญ่ตัวหนึ่งกำลังบินวนดอมดอมอยู่ที่ใบหน้าของหลอนห่างเพียงคืบเดียวเท่านั้นท่าทางเหมือนจะเกาะนักมนุษย์วิทยาสาวเบ น, น้าหนีหลับตาแน่นอย่างขยักขยแงชไว้ครับคุณหญิงอย่าตัดระพินร้องเตือนมาเร็วปืออืม้มช่วยด้วยสิมันจะเกาะฉันแล้ว หญิงสาวร้องเหมือนคนกำลังจะขาดใจตัวสั่นขนลุกคนพองขณะนั้นพานใหญ่หยุดพักอยู่บนชะง่อนตอนหนึ่งเหนือหลอนขึ้นไปประมาณสองช่วงตัวค่อยๆไต่ลงมาแต่แล้วมาเรียผู้เกาะรากไม้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับดารินกว่าคนอื่นๆก็ควักไรเตอร์ออกมาขีดเตลไฟติดใจขึ้นแล้วยื่นเข้ามาลนตรงแถาวันแห้งเบื้องหน้าราชสกุลสาวอันมีต่อเจ้าการตัวนั้นบินวนอยู่ ไฟจากที่จุดระเิติดเทาวันแห้งลุกบูบขึ้นพร้อมกับม่านควนันขับไล่ต่อใหญ่ตัวนั้นให้บินผะหนีจากการรบกวนตามบริเวณใบหน้าของดารินไปทันที จอมผานถอนใจโล่งออกมาพอสบตาแม่มสาวก็รอบขยิบตาให้เขานิดนึงเหมือนจะยา้าแล้วเอื้อมมือไปลูบหลังนักมนุษย์วิทยาสาวไม่เป็นไรน้อยมันตายแล้วดารินลื ม, ลมตาขึ้นมาได้ พ, พึมพำขอบใจไฟที่มาเรียนลนติดเถาวันแห้งลุกลามตามกิ่งขึ้นไปอย่างรวดเร็วส่งควันขมงนั่นเป็นวิธีขับไล่เจ้ า, มาแมลงปีกซึ่งมีพิษร้ายให้พากันบินหนีผับไปได้อย่างฉลาด ตามสายเลือดของพานซึ่งถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษระวังดับไฟซะประเดี๋ยวมันจะลุกลามไปใหญ่แล้วก็ครอบเอาพวกเราเข้าเองป่าแถบนี้แห้งเป็นเชื้อเพลิงทั้งนั้นเชิถาผู้ไต่ขุนอยู่ท้ายขบวนตะโกนสั่งขึ้นมาและมินผู้ยินอยู่ในระดับสูงกว่า ชักมีดออกมาตัดสายเถาวันเส้นนั้นที่มาเรือลนไฟไว้ขาดลงไปกับพื้นป้องกันไม่ให้มันลามต่อไปอย่างกิ่งไม้แห้งอื่นๆชา ย, ยันไตาตามขึ้นมาทันก็ช่วยกับแหม่มสาวเอารองเท้าเหยียบจนดับสนิทไอไฟกับกลิ่นควานช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องตัวต่อไปได้ชั่วขณะเพราะแบบนี้มันบินกระจายห่างออกไปไม่เข้ามาปุ้นเปียกอยู่ใกล้เคียงอีกขยินหยุดหันไปมอง ร, บรอบๆเหมือนจะหาช่องทางแล้วก็เบนอ้อมไหลผ า, าตอนนั้นไปทางด้านซ้ายเพื่อพยายามหลีกลังต่อ ผ่านใหญ่เห็นถ้าไม่เป็นการนักก็ไต่ตามขึ้นไปจนทันและออกเดินนำหน้าเช่นเคยแต่คอยฟังเสียงแนะของขยินว่าสมควรจะไปทางใด ขบวนคื่นหน้ากันไปอย่างช่ำช้าเกาะกลุ่มกันโดยไม่ยอมทิ้งห่างใช่ถาผู้รอบคอบเป็นพวกลูกหาทุกคนเกี่ยวกับเรื่องห้ามไกปืนอีกครั้งเพราะหนทางเดินไต่ชันอยู่ตลอดเวลาเป็นการปีนมากกว่าเดินบาง้งหนะ ก, ก็ต้องฉุดกันขึ้นไปทีละคนซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุจากปืนลั่นขึ้นได้ง่ายที่สุดหากไม่รอบคอบหอบหิ้วฉุดดึงกันอยู่พักใหญ่ คณะทั้งหมดก็ขึ้นมาถึงไหล่ตะพักพอจะทรงตัวได้ถนัดเด็ดเหนื่อยกันแทบหมดแรงและบัดนี้เองเชษฐาชัยยันและดารินก็พบว่าความกระหายน้ำเริ่มทรมานหนักคอแห้งผากเป็นผง สี่ชั่วโมงเต็มๆที่รอนแลมโซซัสโซเซกันไปป่ารอบด้านเริ่มจะเป็นสีเหลืองในสายตาของทุกคนอากาศก็ยิ่งทวีความอบอ้าวขึ้นถึงขีดสุดสิ่งที่ทุกคนคาดคิดและเตรียมตัวรับไว้ได้มาถึงเข้าจริงแล้วนั่นก็คือนรกสันดาลยิ่งเดินไปก็ยิ่งพบกับความแห้งผากต้นไม้ยืนต้นโกรนมีแต่กลิ่อันกรอบเกรียมปสัสจากใบและโขดเขาก้อนหินและเปลวแดดเต้นระยับเหมือนแลผ่านกองไฟ ฟ้าเหนือศีสะสว่างจ้าเหมือนตะวันจะลอยหานอยู่เพียงไม่กี่ไม้พื้นเล่าก็เต็มไปด้วยน้ำเสมาและพุงดอความแห้งแล้งทำให้สภาพของดงทึบกลายเป็นดงโปร่งไปเสแล้วบางแห่งดำเป็นถา่านอันแสดงถึงร่องรอยของไฟป่ามันจะเป็นละเมะสลับไปกับทุ่งเต็งรังบนระดับราบของยอดเขาลูกหนึ่งอนุชาชา ย, ยันพื้พรขึ้นจากลาคออันแหบแห้งขณะที่เดินลากขาเขยนข้างสหายรักของเขาใต้แขนเสื้อ ขึ้นเช็ดเหนือที่กำลังย้อยเข้าตาเขาไม่น่าจะมีชีวิตรอดพ้นป่านี้ไปได้เลยถ้าขยิม น, นำทางผิดเราจะถูกย่างสุกในทุ่งนรกนี้ก่อนตะวันตกดินค่ำนี้แช่ถาพูดเกือบจะไม่มีเสียงผ่าลำคอออกมาเช่นกัน บุคคลที่น่าสงสารที่สุดก็คือดารินบวรลิศหล่อนไม่ได้ปิกปากใดแม้แต่คำเดียวกัดฟันเดินอยู่ท่ามกลางกลุ่มกระทบไหลมาเรียเพื่อนสาวหล่อนเสียเปรียบในด้านกําลังกายซึ่งคุ้นเคยต่อการกรากรำน้อยกว่าแต่ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเลยในด้านกําลังใจสองหรือสามครั้งที่ราชสกุลสาวเข่าอ่อนสุดลงไปนั่งอยู่กับพื้นมีอาการเหมือนจะสลบทะและไอความร้อนบวกกับความอ่อนเพลียกระหายน้ําหน้าขาวซีดเป็นกระดาษ แต่พอมาเรีย ก, ก้มลงชุดก็มุ่งมานะแข็งใจลุกขึ้นเดินโซเซต่อพี่ชายกับเพื่อนก็เดินขนาบเข้ามาทันประคองแขนไว้ชายันช่วยเปิดไรเฟริลที่สะพายไหลไปเพื่อจะช่วยถือเป็นการลดน้ำหนักให้แต่ดารินกระชากคืนไปตามเดิมน้อยเป็นยังไงบ้างหล่อนฝืนยิ้มไม่ตอบคำใดทั้งสิ้นเพราะปาสจากเสียงก้มหน้าก้มตาเดินต่อไปแล้วทั้งสี่ก็ต้องหยุดชะงักเพราได้ยินเสียงสัมภาระหล่นลงกระทบพื้นตุบตับ เมื่อหันกลับไปก็เห็นคู่ของเสกับส่างปาล้มลุกคลุกคลานของที่หาบหลุดจากบาไปกลิ้งอยู่กับพื้นไม่รู้ว่าใครล้มก่อนเลยพาให้อีกคนหนึ่งเสียหลักลงด้วย ลูกป่าทั้งสองอันจัดว่าอยู่ในชั้นพรหดยอดเยี่ยมที่สุดบัด น, นี้ก็ยังหมดเรี่ยวแรงนั่งลิ่นตาโพงอ้าปากหายใจเพราะน้ำหนักของที่แบกมาตับทรนกำลังลงไปขึ้นค่อนจันกับเกิดก็ตุปัดตุเป๋เดินไปกันสี่ห้าเก้าก็หย่อนหาบลงจากป่าสักทีหนึ่งคงมีแต่ขยินเท่านั้นที่นำหน้าบุญคำลากลิ้วไปด้วยแรงควายป่าของมัน และพินเห็นสภาพเหตุการณ์อันเลวร้ายลงเป็นลำดับอย่างถนัดเพราะสังเกตอยู่ตลอดเวลาด้วยความเป็นห่วงเขาก็เต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายร้อนใจยิ่งร้องสั่งขยินให้หยุดซักถามอะไรอยู่ครู่หนึ่งก็ตรงเข้ามาสมทบกับคณะนายจ้างสังเกตดูสีหน้าอาการของทุกคนไม่ต้องเอ่ยถามอะไรก็พอจะทราบได้ว่าตกอยู่ในห่วงทรมานเพียงใดแข็งใจอีกสักพักเถอะครับ มีหุบอยู่ข้างหน้าเรานี่ที่มองเห็นเป็นทิวเขียวอยู่โน่นในหุบจะต้องมีน้ําแน่นอนขยินรับรองอย่าเอ่ยถึงน้ําเพราะมันจะทําให้เราขาดใจตายเร็วขึ้นมามาเรีย ว, ว่าตาสีเขียวอันเคยวาวงามบัดนี้แห้งผ่ากระเด็นน้าลายอันเหนียวหนืดลงคอจอมพานยิ้มตอบใจให้กับทุกคนแล้วเปลี่ยนไปจับนิ่งที่ดารินซึ่งบัดนี้ไม่พูดและไม่มองใครทั้งสิ้นเอาไราเฟิลคอนไว้บนไหลทั้งสองแงหน้าดูตะวันอย่างปราศจากความหมาย ไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราระพินห่วงลูกหาบเถอะล้มลุกคลุกคลานกันไปเป็นระนาวแล้วพวกนั้นแบกของหนักด้วยและให้ตายเถอะแดดที่นี่มันพอๆกับทะเลทรายซาฮาราอยากให้หิมะตกชัยยันพุ่งขึ้นลอยๆปนหอบแล้วก็ออกเดินต่อไปเพียงคนเดียวจนกระทั่งขยินกับบุญรมที่หยุดรอคณะอยู่ละพินคงยิ้มอยู่เช่นนั้นเขาหน้าของเขายามนี้ดูอ่อนยนลงอย่างประหลาด หันไปตะโกนบงการกับคนของเขาพวกนั้นลุกขึ้นเอาของใส่บาตตามเดิมอย่างชาบเทารหดแล้วก็ออกเดินจ้ำอ้าวได้อีกจองพานหันมาพยักหน้ากับคณะนายจ้างแทนคําชวนแล้วเดินชะลอฝีเท้ารวมกลุ่มมาด้วยเพื่อเป็นกําลังใจเวลาปกติแล้วก็ทําหน้าเหมือนเป็นยักษ์เป็นมารดาวรินพึมนพามออกเป็นประโยคแรกขณะที่เขาเดินเข้ามาใกล้ที่กําลังจะตายกันอยู่รอมรออย่างนี้ทํายิ้มระลื่นหมันไส้อ้าว ลืมเล้าเหรอครับเสียงกระซิบตอบมากังวานนั้นจ่มใสที่เขาว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่จอมคุณยวนตะบันมันจะปั้นยิ้มได้เมื่อตายเอ่ยไม่ใช่ครับเขาว่าต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาตะหาถามจริงๆเถอะไม่หิวน้ําเลยไงคุณอูดผมชื่อระพินครับไม่ได้ชื่ออูดนั่นแหละ ชื่ออะไรก็ช่างแต่ประเดี๋ยวนี้ควรจะชื่อนายอูดเพราะอดน้ำได้ทรหดนักถึงผมจะหิวน้ำพอๆกับคุณหญิงผมก็ไม่งอแงหรอกครับอ้อแล้วฉันงอแงกังนหรือที่ไหนได้ทรหดอดทนซะยิ่งกว่าใครจะเชื่อได้สะอีหลวงจำเรืองมองดูเขาอย่างรู้ทันแล้วก็เห็นรอยยิ้มซึ่งไม่ได้เห็นเสนา น, านจากใบหน้านั้นจับพายอยู่ริมฝีปากอันคลึ้มไปด้วยหนวดเขาอย่างไรก็ตามมันช่วยได้เป็นอย่างมากในด้านกาลังใจ ไม่ต้องมาใช้จิตวิทยาตื้นๆหรอกฉันบอกแล้วว่าฉันจะเดินจนกว่าจะล้มลงขาดใจตายบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นก่อนที่จะถึงหุบข้างหน้านั่นก็ได้มาพนันกันไหมพนันอะไรผมว่าคุณหญิงไม่ขาดใจตายอา้าวแล้วก็ไม่ล้มด้วย ขาดเสียงของเขามีใครคนหนึ่งที่เดินอยู่เบื้องหน้าล้มล ง, ล ง, ลงด้วยอาการเขาสุดลงมาเรียฮอฟมันนั่นเป็นสัญลักษณ์แห่งความหมดแรงเป็นครั้งแรกของหลอนดาวินก้าวด้วยฝีเท้าอันเที่ยงตรงที่สุดตามเข้ามาถึงตัวและเป็นฝ่ายฉุดประคองแบมสาวเอาไว้ขึ้นบ้างต่างยิ้มให้แก่กันแต่ยิ้มของมาเรียเป็นยิ้มที่อิดโรยเซซีดังเคอร์ หลอนคางแหบแบนี่ฉันร่วงลงไปเมื่อไรไม่รู้สึกตัวเลยเธออดทนได้ดีกว่าฉันเมแต่สถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่นี่มันร้ายกาศทารุนจริงๆสาวผมทองเหนื่อยหน้าอันชุ่มโชคไปด้วยเหงื่อหลีตาแลท้องฟ้าพึมพำอยู่ในลำคอพระเจ้าฉันอยากจะคิดว่าฉันกำลังอยู่ในห้วงฝันร้ายฝันอย่างที่ฉันเคยฝันมาแล้วมันตรงกันทุกอย่าง ป่าแรงดุดทะเลทรายเช่นนี้และแดดที่แรงจ้าดุดลูกไฟดวงโตแผดอยู่เหนือศีสษเช่นนี้โอสเตเกลขอให้เราได้พบที่ร่มและน้ำภายในครึ่งชั่วโมงนี้เถอะผานใหญ่สืบท้าเข้ามาเคียงขนาดอีกข้างหนึ่งเป็นยังไงบ้างเมหล่อนหันไปสบตาแล้วยักไหลอ๋อร่มรื่นชื่นอารมณ์นั่นเป็นความรู้สึกของพวกเราทุกคนนั้นไม่ใช่รืแล้วก็เร่งฝีเท้าลาหน้าออกไป เชิฐาผู้เดินล้าอยู่เบื้องหลังเพราะความเป็นห่วงลูกหาบสองคู่บัดนี้กระชั้นขึ้นมาทันจอมพานพวกเราเห็นจะแยกกันเต็มทีแล้วหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นอย่างกังวลผมว่าพักสักคู่ดีไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกลูกหาบ่านใหญ่สันสีสะสายตาที่แลมายัางนายจ้างบอกถึงการตัดสินใจอันเฉียบขาดแน่วแน่เต็มไปด้วยพลังใจอันกล้าแข็งมันฉายแสงแข็งรัศมีอันแรงกล้าของดวงตะวันเหนือศีษะขณะนี้ไม่ได้หรอกครับ คืนหยุดเมื่อไร่เป็นเสร็จเมื่อนั้นทุกตารางนิ้วของทุงงูงนี่ร้อนราวกับอยู่ในกระทะคั่วทรายไม่มีที่กําบังล่มเลยต้องกัดฟันเดินผ่านมืองไปให้เร็วที่สุดยิ่งช้าเท่าไหร่ก็ยิ่งบั่นทอนกําลังลงไปเท่านั้นพวกลูกหาบจะไปกันไม่ไหวผมกลัวว่าจะมีใครสลบหรืหัวใจวายลงซะก่อนเชิดถาบอกเพราะสังเกตเห็นทั้งสองคู่ที่เดินอยู่เบื้องหลังหยุดเอาของลงจากบ่าบ่อยครั้งเดินไปได้สักสิถึงยีก็หยุดลงอ้าปากหายใจสักทีหนึ่ง และช่วงระยะหยุดก็กระถีกระชั้นชิดขึ้นทุกขณะแม้คู่ของขยินกับบุญคำอันจับน้าจอมทรหดที่สุดก็เริ่มปัดเปยล้มลุกคุกคาลงบ้างแล้วสาเหตุเพราะบุญคำซึ่งเดินอยู่เบื้องหลังหมดแรงพลอยดึงขยินให้ล้มลงด้วยตุปัดตุเปยสมสารไปทุกคน อย่าห่วงเลยครับพวกนี้ชินกันมาดีแล้วมีความอดทนได้เป็นพิเศษถึงอย่างไรก็ลากของตามเราไปได้จนถึงที่สุดแม้จะหยุดบ่อยก็ตามนั่นมันเป็นการผ่อนแรงของพวกเขาผลรับรองว่าจะไม่มีลูกหาบของเราคนใดสลบหรือหัวใจวายไปก่อนพวกเราเลยท่ามกลางไอแดดอันเต้นระยับต่างพาสังขารอันกระปุกกระเปื่อเคลื่อนที่ต่อไปฝากความหวังไว้ในอนาคตเบื้องหน้าซึ่งจะตัดสินโชคชะตาในเวลาอันไม่นานนี้นะ ชา ย, ยันอนันต์ไตบัตรนี้รู้สึกเสมือนว่าไลฟ์เฟอร์แฝดของเขาที่สะพายอยู่กับบา่ามันหนักราวกับท่อนสูงและมาเรียผู้ตามกระชั้นชิดเข้ามาก็มีความรู้สึกว่าหล่อนอยากจะสลัดทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายออกทิ้งแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่สวมอยู่การเดินแม้จะอยู่ในพื้นที่ราบกว้างก็ปัดฉากแนวอันเป็นระเบียบใดๆทั้งสิ้นเคยเล่นสกีไหมดัมสาวเอ๋ยขึ้นหอบๆอย่างไม่มีปีไม่มีคุยเมื่อชา ย, ยันย่อนฝีเท้าลงมาคู่ขนาด เคยแต่ดูไม่เคยเล่นที่ไหนสวิตเซอร์แลนด์เทือกเขาเอลคุณละ่ะฉันไม่ได้เล่นแต่จำเป็นต้องใช้มันขณะตามรอยหมีขาวในโคเซบูล拉สกากลางฤดูหนาวหล่อนเล่าขาดเป็นห่วงเพราะความเหนื่อยคงสนุกมากก็ตื่นเต้นดีนานุกดูจะเป็นสัตว์ร้ายกาจชนิดหนึ่งที่ไม่กลัวคนและกล้าในการเผชิญหน้า ผู้ล่าจะต้องมีประสาทอันมั่นคงและเลือกตำแหน่งวางกระสุนอย่ถูกต้องที่สุดมิฉะนั้นตัวเองจะเป็นฝ่ายถูกล่าอย่างสยดสยองที่สุดนานุกเป็นภาษาพื้นเมืองที่เรียกมีขาวรู้ไหมตัวแรกและตัวเดียวในชีวิตที่ฉันมีโอกาสได้ล่าถลกหนังออกมาวัดได้ยาวถึงส1บอดฟุตสี่นิ้วน้ำหนักตัวพันสออนตันไดอิจฉาคุณที่มีโอกาสไปทั่ว ในทุกหนทุกแห่งของโลกนี้โลกมันแค่ไปซะแล้วสำหรับคุณแต่มันก็กว้างอย่างไม่มีขอบเขตขณะที่เดินอยู่กลางทุ่งมอรณนแห่งนี้มันกว้างซะจนชีวิตไม่มีหวังขาดเสียงหล่อนส่วนเซจะล้มอีกครั้งแต่ชายยันอบ ก, กอดฮิวปีกประคองไว้ได้แมบบ่สาวยิ้มให้อย่างเลื่อนลอยปสัสจากความหมายเราเห็นหุบอยู่ข้างหน้านี่แล้วเมย์ไม่ห่างออกไปนะักเขากระซิบ คนรู้ไหมในโคเซบูอุณหภูมิเท่าไหร่ผมเคยผ่านไปที่นั่นลบสามสิบองศาเซนติเกรดเราต้องใช้เครื่องทำไออุ่นติดตัวไปด้วยคิดถึงความหนาวเย็นที่นั่นในครั้งนั้นเมฉันกำลังพยายามอยู่พอหันมาเห็นพานใหญ่ซึ่งขนาบมาข้างๆเอื้อมมือมาแตะไหลยร้องทักว่าสเตเกลเดียผสมมาตินี่ให้ฉันหน่อยนะคะดมาตินี่เวรดพีสขาดคาไม่มีใครคาดฝัน มาเรียฮอฟมันก็ร่วงฟุบลงไปหมดสติแน่นิ่งอยู่กับพื้นทั้งๆที่ชา ย, ยันหิ้วแขนไว้ข้างหนึ่งส่วนลผิงคว้าตัวไว้ไม่ทัน ดังกระบวนหยุดชะ ง, งักลงอย่างกระทันหันในนาทีนั้นพร้อมกับความชุลมุนกำลังอันอ่อนเปรี้ยของทุกคนถูกอำนาจความตื่นเต้นตกใจต่อเหตุการณ์ปลุกให้คืนมาโดยฉับพลันดารินทลันปาดเข้าถึงตัวเพื่อนสาวต่างผิวซึ่งละพินและชายยันช่วยกันประคองอยู่ในขณะนี้ตรวจ ด, ดูโดยเร็วเชิดเทาก็เพ่นเข้ามาในเวลาติดติดต ด, ดวงตาทั้งคู่ของหนุ่มสาวปิดสนิทหน้าซีดราวกับศพกายอ่อนปลูบเปลี่ยนไปจากความรู้สึกทั้งมวลโดยทั้งสิ้นเป็นลมหมดสติ หมอดารินล้งลองลั่นออกมาเงยหน้ามองคณะพักทุกคนที่แวดล้อมอยู่อย่างต้องการความช่วยเหลือบัดนี้บัดกับกายเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวและแข็งแรงที่สุดเพราะความตกใจในอาการของเพื่อนสาวบรรลุกับสัญชาตญาณของหมออันมีหน้าที่ช่วยเหลือและมันก็ผิดคาดสาหรับทุกคนไปหมด ดูท่าทีแต่แรกต่างก็พะวงเป็นห่วงกันว่าราชสกุลสาวจะมีอันเป็นไปก่อนคนอื่นตรงกันข้ามกับมาเรียซึ่งไม่สอบปฏิกิริยาใดทั้งสิ้นนอกจากความทรหดอดทนสุดยอดแต่แล้วในที่สุดก็กลับเป็นฝ่ายพับฐานไปก่อนเพราะสุดที่จะทนทานต่ออำนาจความร้อนกล้าของตะวันและความเหนื่อ ย, ยอ่อนเพลียต่อไปได้ช่วยกันก่อนเร็วพยายามหาที่ร่มก่อน พ้ะผินภัยวันเองในขณะนั้นก็ตะลึงงานตัดสินใจอย่างไรไม่ถูกเขากระโดดลุกขึ้นยืนหันไปรอบๆแล้วก็ซึ่งศรัทธาอาลัยที่ล่มซึ่งหมอดาวดึงต้องการจะไปหาได้ที่ไหนท่ามกลางทุ่งนรกอันร้อนระอุบานจะเนื่องทุกชีวิตให้สุกเกลียนไปในขณะนี้มองไปทางใดก็เห็นแต่ไอแดดอันระยะิบระยับราวกับมองผ่านไปเหนือกองไฟและต้นไม้ใบหญ้าก็กรอบเปียนไปทั่วทุกแห่ง ระหว่างที่เขายืนหมุนกระสับกระส่ายอยู่ใช่ถาบก็ตัดสินใจในทันทีขึงผ้าใบกั้นเป็นหลังคาขึ้นเร็วหยุดกันที่นี่ก่อนนั่นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดแล้วสำหรับเหตุการณ์เฉพาะหน้า จำพานโบกมือกับพวกลูกหาร้องให้ปฏิบัติตามคําบัญชาของหัวหน้าคณะโดยรวดเร็วพวกนั้นปมหาบที่กําลังแบบหามอยู่และช่วยกันอย่างชุลมุนแข่งกับเวลาเพียงชั่วอึดใจเดียวผ้าใบผืนใหญ่ก็ถูกขึงเป็นหลังคาขึ้นคล่อมบริเวณที่มารยาล้มลงสิ้นสติช่วยปลดเปลวแดดอันแรงกล้าที่แผลเจ้าดูเดือดลงมาให้บรรเทาลงบ้างโดยอาศัยยึดติดกับกิ่งไม้แห้งที่ตัดมาเป็นหลักสี่หลัก ทำให้ตำแหน่งนั้นเกิดเป็นเงาร่มขึ้นตามมีตามเกิดมันกว้างขวางพอทั้งคณะ11คนจะเข้ามารวมกลุ่มอาศัยหลบอยู่ภายใต้อีกผืนหนึ่งปูลวกๆลงไปกับพื้นใบไม้และหญ้าแห้งที่ร้อนระอุ ร่างของแม่มสาวถูกปุ้มขึ้นวางบนผ้าที่ปูนั้นการปฐมพยาบาลเป็นไปอย่างรีบด่วนชุลมุนโท่เม่ดารินครางออกมาอย่างสงสารปรกคองศีรษะเพื่อนสาววางไว้บนตักเขาปลุกเรียกถีแล้วสั่งเร็วปือให้ชายยันช่วยคลายเข็มขัดตลอดจนเสื้อผ้าที่รัดอยู่ขยายออกทุกคนแทบจะลืมความเหน็ดเหนื่อยกระหายน้ำของตนเองลงหมดสิน้นไม่ทันรู้ตัวเลยชัยยันพูดสีหน้าของอดีตนายทหารเต็มไปด้วยความสนก เห็นเดินคุยอยู่เป็นต่อยหอยพอหันมาอีกทีภัพฐานไปซะแล้วยังสงสัยเลยได้ยินเสียงพูดร้องขอมาตินี่แล้วก็เอ่ยเรียกชื่อสามีที่แรกยังนึกว่าเมย์เกิดมีอารมณ์ขันอะไรขึ้นมาคุณได้ยินหรือเปล่า ประโยคหลังเข้าหันไปถามพานใหญ่ผู้ยืนหน้าค้ำอยู่ระพินตอบแผบผ้าในลำคอได้ยินครับหล่อนหันมาทางผมแต่เรียกชื่อสเตเกลอันเป็นชื่อสามีของหล่อนประโยคที่พูดก็เป็นประโยคคล้ายๆที่เคยใช้พูดในขณะที่เคยใช้ชีวิตมีความสุขด้วยกันอยู่ในบ้านมันคงออกมาด้วยอาการเพอร้อมากกว่าตอนนั้นเมกํกำลังหมดสติอยู่แล้ว ทั้งหมดจ้องมาที่แหม่มสาวด้วยความสมเพชและเป็นห่วงเหลือที่จะกล่าวเป็นยังไงบ้างน้อยหัวหน้าคณะถามน้องสาวโดยเร็วเอื้อมมือมาค่อยๆเผยเยอเปลือกตาอันปิดสนิทของมาเรียขึ้นดูด้วยความร้อนใจเขาหน้าของหมอดารินบอกแวววิตตกชัด เฟรนเหนื่อยมากหัวใจสูบฉีดโลหิตไม่ทันแล้วก็อากาศที่ร้อนจัดเมย์ทนต่อความร้อนไม่ได้ภูมิต้านทานในด้านนี้มีน้อยกว่าพวกเราฝรั่งมีจุดอ่อนอยู่ในนี้ทุกคนถ้าหนาวพวกเขาจะทนทานได้ดีกว่าพวกเราระวังนน้อยระวังหัวใจจะหยุดทํางานไปเฉยๆชายยันละล่ำและลักเตือนมากุรีกุจอเข้าผายตอดแต่ดารินจับแขนห้ามไว้โดยเร็วอย่าไม่มีประโยชน์หรอก การกระตุ้นให้ร่างกายทำงานจะยิ่งทำให้หนักลงไปอีกในภาวะเช่นนี้สิ่งที่จะช่วยได้มีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือน้ำน้ำใช้ถาคางออกมาอย่างขมคืน่นขบกามแน่นรีตาฝ่าเปลวแดดออกไปอย่างปราศจากสุดหมายใช่สิพวกเราบ่ายหน้ามาทางนี้ก็พอะต้องการน้ำแล้วพวกเราคนหนึ่งก็ขาดน้ำจนล้มพับไปกับตาเราหวังที่จะได้น้ำแต่สวรรค์เท่านั้นที่จะบอกว่าเราจะได้มันมาเมื่อไหร่บางทีมันอาจจะสายไปก็ได้ ความเงียบปกคุมไปชั่วขณะดารินกับชายยันกระดิกตายลิ้นออกมาเรียรินฝีปากที่แห้งผ่าเป็นคราบขาวบัตรนี้ต่อให้สมบัติพัสสถานสกิรโกติลานก็ตามมาวางกองให้เห็นอยู่ตรงหน้าทุกคนก็ยอมที่จะสละได้เพื่อแลกกับน้ำแม้เพียงอึกเดียว ราคาของชีวิตราคาของความต้องการมันทัดเทียมเสมอกันในสภาวะเช่นนี้แหละไม่ว่าพระราชาหรือยาจกจักรพรรดิไม่วิเศษไปกว่าขอทานถ้าหากทั้งคู่มาตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนี้และต่างคนต่างชั้นต่างวรรณะที่รวมคณะกันอยู่ในขณะ น, นี้ก็ประจักษ์ใจแล้วเยี่ยงสัตว์โลกที่สภาพของชีพของเสมอกันป่าดงพงไพและความวิบัลคลำเค็นเป็นแหล่งเดียวเท่านั้นที่จะสร้างสรรค์สมดุลภาพและความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันในหมู่มนุษย์ ทุกคนต้องการมันอย่างที่สุดแต่ไม่มีใครปลีปากบ่นร้องอุทธร์ออกมาแม้แต่คําเดียวนั่นเป็นด้วยจิตใจอันแข็งกร้าวทอรหดทนที่ฝึกปลือกันมาแล้วเป็นอย่างดีทุกคนประชิญกับความทรามานอันแสนทารุณ น, นี้อย่างชาตินักสู้และเพื่อนร่วมตายคนหนึ่งก็ได้สู้แล้วอย่างน่าสรรเสริญน้ําใจมาเรียฮอฟมันไม่มีใครเห็นความอ่อนแอนของหล่อนเลยจนวินาทีสุดท้ายเมื่อหล่อนล้มสิ้นสติลงเพราะร่างกายทนทานไม่ไหว ขยินตะวันตรงหัวแล้วนายแหม่มก็สลบลงแล้วแต่น้ำของเองอยู่ไหนท่ามกลางความเงียบงนันเสียงเ้าเฮาของบุญคำดังขึ้นอดีตนายบ้านหลงช้างสบตาทุกคนแล้วยิ้มยิงฟันในอาการเดิมของมันตอบเสียงลึกในลำคอน้ำอยู่ข้างหน้าไม่ไกลนี้เองถ้าไม่พบทุกคนเอาเลือดขยินแทนแต่ถ้าเราจะเดินต่อไปยังไงในเมื่อเพื่อนของเราคนนึงกาลังจะตายชา ย, ยันถามขึ้นเอางี้เถอะครับ ในที่สุดพานใหญ่ก็กล่าวขึ้นเป็นประโยคแรกทุกคนพักรอที่นี่ชั่วคราวก่อนผมกับขยินจะไปหาน้ำมาให้พอประทะประทงังแก้สถานการณ์อันอับจนปัญญาเฉพาะหน้า พ, าพลางผมจะพยายามหาให้ได้และนำกลับมาโดยเร็วที่สุดลำพังผมกับขยินเดินกันตัวเปล่าย่อมจะช่วยให้รวดเร็วขึ้น ชายยันกับดาวินมองไปทางเชษฐาไม่มีความเห็นอะไรทั้งสิ้นปล่อยหน้าที่การตัดสินใจให้แก่หัวหน้าคณะภายหลังช่างใจอยู่คนเดียวเชษฐาก็พยักหน้าไม่มีทางเลือกอย่างอื่นตกลงรับพินขอให้โชคดีนะจอมพานช่วยรายเฟอร์จุดสแปดห้าประจำตัวเหวี่ยงขึ้นไหล ทิ้งอีกกระ บ, บอกหนึ่งที่เป็นภาระติดมือมาโดยตลอดไว้กับคณะแล้วโบกมือเป็นสัญญาณกับขยินทันทีนั้นส่างปาผู้มีสภาพเหมือนคนกําลังจะตายก็ลุกพูดพลาดเฉลยปืนประจำตัวแล่นเข้ามาสมทบให้ส่างตาไปด้วยคนนายส่างปาจะไปเอาน้ํามาให้ในายแมมผานใหญ่หันไปจ้องหน้าเจ้าเองก็หมดแรงเต็มทีแล้วส่างตารออยู่ที่พักนี่ดีกว่าเจ้าต้องสูดสันหน้าพูดซื้อซื้อตามภาษามันส่างปาตายไม่ว่าขอให้ส่างปาได้ช่วยนายแมมของส่างปาเท่านั้น รับพินยิ้มออกมานิดหนึ่งตบไหล่คนคู่ใจของมาเรียนหนักหน่วงเจ้ารักและซื่อสัตย์ต่อนายของเจ้าเจ้าเป็นคนคบได้สังปาไปเราไปด้วยกันทั้งสามรุดออกจากที่ตัดทุ่งหญ้าคาสลับไปกับเต็งรงังอันร้อนแรงไปอย่างรวดเร็วการไปกันตามลำพังษักสัมภาระถ่วงช่วยให้เดินได้ตัวเปลวไม่กี่อึดใจก็หายลับไปจากสายตาของฝ่ายที่หยุดพักอยู่ ภายใต้กระจมทั้งหมดที่เหลือลงนั่งกอดเข่ารอคอยกันอยู่ด้วยความหวังอันเรือนลางล้อมร่างอันนอนเหยียดยาวหมดสติของมาเรียฮอฟมันคอแห้งเป็นผงราวกับมีสายเข้าไปฉายอยู่ไอร้อนจากเปลวแดดลอยบูกเข้ามารอบด้านเหมือนเอากองไฟมาก่อไว้ทุกทิศทางต่างนั่งซึมกันไปหมดเพราะไม่มีเสียงที่จะพูด สคนมุ่งตรงไปยังหุบที่เห็นเป็นทิวอยู่ริบลพอตัดโคกเตี้ยๆก็เห็นตาไผยตายซากเหลืองอรามไปทั้งดงอยู่ทางด้านขวามือรับพิมพก็สะกิดหลังขยิ่ซึ่งเดินไปเป็นควายหายอยู่เบื้องหน้าบุ้ยปากเป็นสัญญาณให้เลี้ยเลาะเข้าชิดแนวป่าไผ่พอได้ยินเสียงนกกระทาทุ่งร้องแว่วๆอยู่แถวนั้นและนั่นเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่จะพึ่งแผ่วผ่านเข้ามาให้เห็นนับตั้งแต่กรามหนักมาตลอดครึ่งวัน ภัยเหลืองไปหมดทั้งป่าฝนไม่ตกเป็นแรนเดือนหาน้ำที่นั่นไม่ได้หรอกนายขยิ่นทวงลองเข้าไปดูก่อนมีนกร้องอยู่ที่นั่นอาจจะมีน้องอยู่แถวนั้นเขาบอกครู่เดียวทั้งสามเลาะรัดกันไปตามกอไผ่ที่สลัดใบเหลืองอารามไปหมดทั้งป่าหลงพัด โอนเองนเสียสดสีดังอยู่อดอแอดไม่ขาดระยะพื้นดินแห้งผาแตกกระแหงเป็นฝุ่นนานๆจะมีเสียงต้องไผ่ระเบิดดังเหมือนไข่มาจุดประพัดต่างช่วยกันสำรวจไปตามพื้นอย่างหมดหวงังเพราะป่าศักร่องรอยใดๆที่จะสอให้เห็นว่าบริเวณนั้นจะมีน้ำแม้แต่สักหยดเสียงนกกระทาที่ร้องแววๆอยู่เมื่อคู่ <c oughs> ก็เงียบหายไปซะแล้วไม่มีวีแ ว, วอะไรทั้งสิ้นผีป่ามันหลอกนายสางป่ากระิบ ระพินเม้มริมฝีปากไม่ยอมละความพยายามคงออกเดินตรวจลักษณะของกอไผ่เหล่านั้นต่อไปแต่แล้วทันทีนั้นเองระหว่างไต่ขึ้นโคกสูงตอนหนึง่งเขาก็ต้องสะดุ้งขึ้นสุดตัวเพราะสา่งปากับขยินที่ไต่นำอยู่เบื้องหน้าร้องเอะอะอะไรออกมาคำหนึ่งอย่างตกใจถอยพงะลงมาประทับเขาพอเหงยหน้าขึ้นภาพที่เห็นก็ทาให้เขาตะลึงไปชั่วขณะจิต เรื่องบนห่างขึ้นไปประมาณห้าสิบหลาระหว่างซอกไผ่ที่แยกห่างจากกันเป็นง่ามร่างหนึ่งปรากรยืนตั้งงานทะมึนอยู่กลางช่องง่ามนั้นโผล่ให้เห็นครึ่งตัวแววตาทั้งคู่จ้องมาอย่างทั้งสามคนใบหน้านั้นสยะยิ้มแง้ซ้ายเขาตะโกนออกไปสุดเสียงอย่างลืมตัวปืนสองกระบอกจากขยินและสั่งปลาวูบขึ้นไหลแต่ก็ถูกตบโดยเร็วจากมือของรพินที่ฟาดออกไปทั้งสองกระบอกทิ่มลงดินก่อนที่จะระเบิดตูมขึ้นเป็นเสียงเดียวกัน ฝุ่นและดินบนเนินกระจายว่อนและพร้อมกันใบหน้านั้นก็หลบบูบหายวับไปกับตาอย่ายิง่งกวดตามมันให้ได้จอมพานร้องสั่งคนทั้งสองเรารวบรวมกําลังวิ่นขึ้นเนินไปอย่างเร็วที่สุดขยินและเจ้าต่องสู่ก็ห่อไล่หลังมาเขากระโจนแหวกขึ้นไปยังกอไผ่ที่แยกเป็นสาง่ามซึ่งเห็นใบหน้านั้นโผล่อยู่ยุบ ลอยเท้าแล่นลงไปอย่างเนินตามเบื้องล่างอันสลับซับซ้อนไปด้วยกอไผ่เป็นฉากกำบังตาอยู่เงาของตัวลึกลับหายไปแล้วเซยวินาทีที่เขาก้มลงหารอยเพื่อกวดตามต่อไปนั่นเองสังปาก็คว้าแขนเขย่าโดยแรงดูนั่นนายหันขวับตามที่ชี้บอกจอมพานก็ตะลึงงันไปอีกครั้งด้วยความมหัศจรรย์ใจหรือที่จะกล่าว ที่โคนเง้าไผ่ตรงหน้าห่างจากที่เขายืนอยู่เพียงสามสี่เก้ากระบอกไม้ไผ่สดสีเขียวอันนึงอวบใหญ่ขนาดขาอ่อนยาวประมาณสอบเศษตั้งพิงไว้ที่นั่นบรรจุน้ำเต็มเปลี่ยมมีใบไผ่ลอยสะไว้ลักษณะกันกระชอกระบอกน้ำ ขยินร้องลั่นพวดเดียวทั้งสามก็ทลาเข้ามาสุดคุกเขา่าเอาหัวมุงชนกันล้อมอยู่ที่กระบอกไม้ไผ่นั้นจ้องน้ำที่ยังมีรอยไหวกระเพื่อมอยู่น้อยๆในกระบอกปากกว้างแล้วมองตากันเองเหมือนจะไม่เชื่อสายตา กระแน้าที่กระฉอ อ, กออกจากกระบอกไม้ไผ่ยังเป็นดวงเปียกชุ่มอยู่กับพื้นอันแห้งผากรอบๆน้าจริงๆนายเราไม่ได้ตาฝาดตายสั่งปากคลางออกมาเสียงสั่นเครือจอมพันค่อยๆเอื้อมมือไปประคองกระบอกอันหนักอื้ง น, นั้นขึ้นมาด้วยมืออันสั่นเทากวดส า, ายตาไปรอบๆอีกครั้งพึมพมออกมาเหมือนจะพูดกับตัวเองกระบอกน้ามันมากันได้ยังไงนี่ เมื่อกี้ไอ้งแง่ายมันล่อหน้าอยู่ตรงนี้รู้ว่าเป็นน้ำของมันพาหนีไปไม่ทันเพราะเราไล่กวดมันซะก่อนรับผิมเต็มไปด้วยความมึนงงคิ้วขระโดดเกือบจะรดกันตาหลีลงแน่นอนที่สุดจากหลักฐานเท่าที่เห็นน้ำกขบอกนี้จะมาจากใครไม่ได้เป็นอันขาดนอกจากแง่ทาย แต่มันไปยังไงมายังไงกันแน่ถึงอย่างไรก็ตามเขาไม่เห็นด้วยกับปัญญาคิดอย่างช่วยๆของขยินในข้อที่ว่าแงซ า, ายผะหนีไปอย่างกระทันหันแล้วลืมกระบอกน้ําไว้ที่นี่เพราะเอาไปด้วยไม่ทันลักษณะของกระบอกน้ําถูกวางทิ้งไว้ให้พบมากกว่าประการหนึ่งการโผล่ออกมาให้เห็นมันหมายถึงอะไรถ้าไอตัวลึกลับนั่นต้องการจะหลบทั้งเขาขยินและสางตาจะไม่มีโอกาสมองเห็นมันได้เลยเป็นอันขาดเพราะไม่รู้ตัวหรือระแคะระคายมาก่อน จะเป็นไปได้หรือไม่ในการที่แง้สายโผขึ้นมาเพื่อให้ล่อและผลแห่งการล่อนั้นก็ให้มาพบเข้ากับสิ่งที่ทุกคนต้องการที่สุดที่สําคัญที่สุดเหนือปัญหาอื่นใดก็คือน้ําในกระบอกนั้นเป็นน้ําบริสุทธิ์หรือว่ามีเลขกลพิษร้ายใดๆเจือปนอยู่ระวังนานายมันอาจจะเอาน้ําพิษมาวางล่อเราก็ได้สางตาฉลาดในความคิดมากกว่าขา ย, ยิบทวงขึ้นจอมผานยกขึ้นดมอย่างใคล่ครวนแล้วเอานิ้วเถี่ยใบไผ่ขึ้น งานไปอีกครั้งน้ํานั้นมีสีขาวมูว ม, วมัวเหมือนสีนมจางๆทั้งสองพอเห็นเข้าก็ลืมตาโพงร้องออกมาพร้อมกันน้ําพิษแน่นายละพินกัดดินมฟีปากแน่นมองหน้าขยินและสามตาแล้วค่อยๆยกขึ้นแตะชิมกับปลายนิ้วในที่สุดก็ดื่มเข้าไปเล็กน้อยบาดจนสีหน้าของเขาก็ช่ำชื้นขึ้นใน ท, ทันทีตาเป็นประกายไปด้วยความปิติดมันจืดสนิทและเย็นเฉียบ